หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหลวงตาเมตตาให้ความช่วยเหลือด้วยประการตา่างๆมากมายหลายด้านหลายทางด้วยการสงเคราะห์แบบเงียบแบบไม่ยอมให้ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์เป็นพื้นฐานเช่นนี้ตลอดมาชนิดไม่สามารถจะบรรยายได้หมดสิน้นเพราะในอดีตระยะที่ท่านยังแข็งแรงไปไหนมาไหนคนเดียวได้ท่านก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือในลักษณะนี้มาโดยตลอดเช่นกันและไม่เคยสนใจจะประกาศให้โลกรู้ เพราะท่านมุ่งสงเคราะห์จริงๆตามเหตุผลอันควรดังท่านเคยกล่าวว่าเรานี่ก็ไม่เคยคิดนี่นะว่าจะได้มาช่วยโลกอย่างนี้นี่มันก็เป็นมาเองเราก็ทำตามนิสัยของเราอยู่อย่างนั้นอยู่ใต้ดิน ใครจะมาออกข่าวออกข่าวอะไรหนังสือพอกสือพิมพ์อะไรเราไม่ให้มาทำนะเราปัดออกทันทีนะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรจึงไม่มีข่าวมีคราวอะไรทั้งนั้นเราปัดทันทีเลยไม่ให้มายุ่งว่างั้นเลยเราทำตามอัธยาศัยของเราอย่างสมมุติพวกหนังสือพิมพ์จะเอามาออก ก็เราเอามาทำนี้มันของลูกศิษย์ลูกหามาทำต่างหากเรามาทำแทนเขานี่นาเครื่องจะตุปัจจัยทยทานเป็นของเขาทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าจะออกหนังสือพิมพ์ก็ต้องเอาออกมาหมดสิเราถึงจะให้ออกถ้าออกไม่หมดอย่าเอามาออกนะมาอวดแต่เราคนเดียวใช้ไม่ได้นะเราว่างั้นนะเขาก็ไม่กล้านะสิ เพราะพูดอย่างเด็ดซะด้วยนะบอกห้ามไม่ให้มายุ่งว่างั้นเลยไม่ให้ลงทำแบบใต้ดินใต้ดินตลอดมาสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ที่ไหนก็ตามเราไม่ให้มายุ่งเราทำของเราเองมันก็อยู่ใต้ดินใต้ดินไม่มีใครทราบละ่ะภายนอกไม่ค่อยทราบ นอกจากคนใกล้วัดเขาทราบกันกระทั่งปีพุทธศักราช2540ชาติไทยของเราประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและความสับสนทางสังคม Collection collection, บบเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจเผลอลืมที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐลืมเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทานศีลภาวนาไปเสียมัวมุ่งสนใจแต่เพียงวัตถุสิ่งของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารแม้ในยามปกติท่านยังมีเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวไทย อย่างใส่ใจและจริงจังเป็นพื้นฐานตลอดมาดังได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้นบัดนี้ปัญหาขยายวงกว้างขึ้นจนกลายเป็นความทุกข์โดยรวมของคนทั้งชาติและด้วยความเมตตาสงสารอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องชาวไทยท่านจึงปรารกขึ้นด้วยความห่วงใหญ่ว่า จำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของพี่น้องไทยทุกคนให้ต่างเสียสละช่วยกันอย่างจริงจังเมื่อคำประรบดังกล่าวกระจายออกสู่สังคมกว้างขวางขึ้นผู้เคารพศรัทธาท่านและผู้มีความรักชาติเป็นพื้นฐานในใจอยู่แล้วต่างออกมาแสดงน้ำใจสละเงินทองช่วยกัน เมื่อคณะบุคคลต่างๆทั้งในและต่างประเทศรับรู้มากขึ้นมากขึ้นน้ำใจแห่งความรักชาติจึงเริ่มทยอยหลั่งไหลมาช่วยมากขึ้นมากขึ้นตามกัน